โดงแล้วลุงโง่ไปตกปลาลุงไม่ให่ดีกับวันเวลานั่งตกปลาสุขใจลุงฉลาดผ่านมาโง่เองทำอะไรปลานิดเดียวแค่พ อ, อยาใส่ไม่ได้ทำ วันทุกวันผ่านไปลุงโง่ไป อย่า